หน้าที่เบื้องต้นของเงินในระบบเศรษฐกิจข้อที่1เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเช่นใช้เงินซื้อของแทนการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันเอง